เจ้าคณะจังหวัดถึงก็บอกเลยตอนนี้พระทั้งจังหวัดสุรินทร์น่าใช้จีวรของท่านประโมท น, นี่แหละส่งไปให้นะส่งอาหารส่งยาส่งอะไรประเจียีอย่างจีวรของหลวงพ่อชุดนหนึ่งใช้ได้ตั้งสามสี่ปีใช่ไมไม่ได้ใช้สิ้นเปลืองอะไรเพ็นพวกเรามาเรียนนะหลวงพ่อไม่เคยเรียกอะไรทําบุญก็ได้ไม่ทําก็ได้นะทก็มาสร้างโน้นทํานี่นทาบุญต่อไปบ้างอะไรบ้าง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 เช่นนิวรณ์เกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้ทันใช่ไหมโพชฌงเกิดได้งไงก็รู้ทันขันทํางานยังไงก็รู้ทันอริยสัจทํางานแบบไหนก็รู้อันนี้ขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนานะงนั้นต้องหลักต้องแม่นนะที่หลวงพ่อพยายามพยาพยามพูดทุกวิ่ทุกวันเพื่อจะถ่ายทอดหลักของการปฏิบัติไม่ใช่วิธีปริกย่อยในการปฏิบัติวิธีปริกย่อยไม่สําคัญหรอก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 เบอร<บ> <12 S 1> ์รขอยสิบสองไม่ตัวนี้มันเป็นยังไงนะมันน่าสนใจ ก, น ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือขอยกสิทธิ์นี้ให้คุณแม่ะคะ่ะขอให้คุณหลวงพ่อสอนสภาวะคุณแม่นะะหน่อยค่ะไหนแม่อยู่ไหนขอโทษแล้วก็ไม่บอก <c oughs> เอา้าย้ายไปก็ย้ายมาเป็นแม่งูกับลูกงูย้ายไปย้ายมาการนมัสการค่ะ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 ใครรู้สึกว่าฟุ้งซ่านบ้างสารภาพดีเออดีสีสารภาพอ่ะต่อไปกราบนมสัส ก, การหลวงพ่อะวันนี้มีเรื่องจะมากราบเพียหลวงพ่อสองเรื่องะคะ่ะเรื่องแรกจะมาขอกราบขอขมาะคะ่ะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเออไม่เป็นไรนะอาคมาให้เอาเรื่องที่สองเรื่องที่สองจะมากาบเพียนถึงผลการปฏิบัติของตัวเองะคะอค่ะ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 ขอบคุณค่ะอ้าวต่อไปเบอร์อะไรเบอร์ร้ยสามสามททั้ ง, งหลังนะแล้วก็มาร้อยสิบสองข้างหน้าอ้าวนมันสการแล้วไม่ต้องพูดซ้ำ<อ><อ>ผมมาครั้งแรกนะครับผมก็<อ><อ>ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักพักหนึ่งแลวนะครับก็<ม>พยายามปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับ อ, อ, อยากขอคำแนะนำหลวงลพ่อเป็นกิเลสไปไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็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 เลี้ยใจแม่มากเลยพข <laughs> าชอบบอกว่าอยากแล้วก็แม่ก็ไม่ให้ <laughs> ให้ดูว่าอยากแล้วก็ไม่ให้อ๋อเอาต่อไปหลวงพ่อคะหนูติดนิ่งหรือเปล่าคะติด น, นี่ต้องยังไง <laughs> เห็นไหมอยากทำเลยไหมติดให้รู้ว่าติดทําไมต้องติดเพราะว่าจงใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วไปจ้องจ้องเพ่งเพ่ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เอาไว้ค่ะกรรมฐานของหนูต้องทํำยังไงอะคะอย่าทํำสิ <c oughs> พรอไปทำนั่นแหละถึงได้ติดเพ่ง <c oughs> รู้เล่นๆไป <c oughs> เช่นเรามาคุยกับเพื่อนเพื่อนยั่โมโหโมโหขึ้นมารู้ว่าโมโหอะไรเงี้ย <c oughs> ดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจรู้ <c oughs> เล่นๆไป <c oughs> ลืมคําว่าปฏิบัติซะอ้าวต่อไปเหลืออีกสามคนแล้วก็มาเบิกเก้าเนี้นะการนมัสการหลวงพ่อนะคะคือเดือนที่แล้วเพิ่งได้ผ่านเหตุการณ์คือเพิ่งเสียญาติผู้ใหญ่แล้วก็ในขณะที่เขาใกล้เสียเนี่ย